สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในซีรีส์วันนี้ก็คือเป็นคิดพระเยซูตอนที่สี่ร้อยยี่สิบสี่เรื่องพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ครั้งที่สี่พี่น้องครับในเช้า ว, วันนี้เราจะมาดูถึงพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับโปรดอย่าลืมว่าพระเยซูนั้นพรงได้ทรงส่งพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์มาเพื่อที่จะเป็นพาราคริโตสคือเป็นผู้ที่อยู่รอบๆข้างเรา เป็นผู้ช่วยที่จะทำให้เราเห็นถึงองค์พระเยซูคริสต์และพระองค์นั้นทรงเป็นพระวิญญาณทรงมีสถานภาพเป็นพระเจ้าในขณะเดีวยวกันครับพระองค์เป็นบุคคลทรงเป็นบุคคลมีบุ ค, คลิกภาพครับนะคำว่าบุ ค, คลิกภาพนี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นคำว่าบุคคล ที่เหมือนกับเราก็คือจับต้องได้ทางกายภาพครับแต่พระองค์ทรงเป็นพระวิ ญ, ญญาณเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเห็นพระองค์ได้เราไม่สามารถจับต้องพระองค์ได้แต่เราสามารถสัมผัสทางด้านจิตวิญ ญ, ญาณกับพระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์ได้นะครับเมื่อเป็นเช่นนี้หากเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์นั้นเราก็จะเข้าใจถึงหัวใจขององค์พระเยสุคริสและจะเข้าใจผู้ที่ใช้พระเยสุคริสมาก็คือพระบิดาพี่น้องครับ ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะรู้จักกับพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงอยู่รอบเราอยู่ในเราอยู่เคียงข้างเราและเป็นผู้ที่ช่วยสนับสนุนเป็นผู้ที่ประธานของประทานฝ่ายวิญ ญ, ญาณที่กับเราเป็นผู้ที่ให้ชีวิตของเรานั้นบังเกิดผลสูงฉุดก็คือบังเกิดผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เก้าประการพระคิดของพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์นั้นมีความสาคัญพูดง่ายก็คือว่ามีผลต่อความรอด นะครับของคี่สตียนเราทําให้ความรอดสําเร็จสมบูรณ์พระคติของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็มีผลต่อความรอดของเราในอนาคตพี่น้องครับความรอดของเรานั้นแบ่งออกเป็นสามการครับก็คืออดีตการปัจจุบันการและอนาคตการอดีตการน้นความรอดนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าสิ่งที่ผ่านพ้นมาในอดีตนั้นพระเจ้าได้ส่งยกบาปแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ความบาปที่เราเคยทํานั้นได้รับการอภัยได้รับการยกบาปเพราะฉะนั้นมันไม่มีผลนั่นนี่คือความรอดไวยหลังกลับไปในอดีตสิ่งที่เราเคยทํามานั้นพระเจ้าได้ทรงประกาศยกเลิกนะครับพระองค์ทรงประกาศยกบาปความบาปแต่ผลของความบาปที่เราเคยทํามาในอดีตนั้นได้ถูกตึงไว้นะครับและถูกชําระค่าจ้างความบาปที่พระเยซูแล้ว ที่รอกับนี่คือความรอดในอดีตความรอดในปัจจุบันหมายความว่าในขณะนี้เรากําลังเดินอยู่ในทางแห่งความรอดครับเรารอดทุกวันครับนะครับวันนี้เราก็รอดพอถึงวันพรุ่งนี้เป็นปัจจุบันในวันพรุ่งนี้ก็เราก็กําลังรอดและเราจะรอดในอนาคตนะครับนั่นนี้คือคือวิถีของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราบังเกิดใหม่แล้วนะครับเราผ่านการแับมาได้พระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว พี่น้องครับเราก็จะมีชีวิตนะครับในอนาคตที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะส่งผลพระสิทธิ์ของพระองค์นั้นทําให้เรารอดในอนาคตก็คือมีชีวิตนิรันดร์ที่สมบูรณ์แบบครับหากว่าเวลานี้ผมอยากจะถามพี่น้องว่าเวลานี้ท่านมีชีวิตนิรันดร์หรื อ, อยังคําตอบก็คือว่าเรามีชีวิตนิรันดร์แล้วเราเริ่มมีชีวิตนิรันดร์นับแต่วินาทีที่เราเชื่อพระเยซูครับในขณะเดียวกันครับชีวิตนิรันดร์ของเราทุกๆวัน นะครับก็ดำเนินไปนะครับจนว้ในที่สุดครับจนในที่สุดเราจะไปถึงเป้าหมายก็คือลมหายใจเพือกสุดท้ายของชีวิตเมื่อเราจากโลกนี้ไปตรงนั้นแหละครับเราเข้าสู่สภาวะนิรันดรที่แท้จริงครับชีวิตนิรันที่สมบูรณ์แบบนะครับหรือที่พระเยซูตรัสว่าชีวิตที่ครบบริบูรณ์นั่นเองนะครับทุกวันนี้เรามีชีวิตที่ยังไม่ได้ครบบริบูรณ์ นะครับเรากําลังก้าวสู่ความครบบริบูรณ์ความสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นขณะ น, นี้บางท่านอาจจะลุ่มลุ่มดนดอนอยู่นะครับชีวิตของเราบางท่านอาจจะรู้สึกลาาเปลียบแต่ยังไม่ถึงที่สุดนะครับเพราะว่าที่สุดของเรานั้นก็คือชีวิตนิรันต์ที่เต็มไปด้วยสง่าราศีนะครับในภาษาอังกฤษเรียกว่าการ i ิเศษการอิ่มไฟครับการพิเศษเนี่ยก็คือเป็นชีวิตภาค สุดท้ายครับเป็นภาคที่สามนะครับก็คืออนามัโทษจัดการนั่นเองแล ะ, ะเมื่อเราเข้าใจตรงนี้นะครับเราจะเห็นครับว่าพระเิรษฐกิจของพระวิญญาณบริสุทธินั้นท ร, รงทรงทําหน้าที่เป็นตัวแทนครับเป็นผู้ช่วยเราเป็นตัวแทนของพระเยซูครับพระเยซูทรงพระวิญญาณบริสุทธ์เพื่อที่จะทําให้ชีวิตนิรันดร์ของเราท่านสมบูรณ์แบบดังนั้นเองเราจะเห็นนะครับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงเป็นหนึ่งในเตีร์กันุภาพนะครับเป็นพระภาคหนึ่ง ในเตียกันอุภาพในพ้อมพีเดิมนั้นเรารู้จากพระวิญญาณในคําว่ารู้อักนะครับรู้อักก็แปลว่าแปลว่าลมครับหรือว่าแปลว่าลมปราณหรือแปลว่าลมหายใจในความหมายในภาษาฮีบรูซึ่งภาษาเดิมที่ใช้เขียนพ้องพีนะครับภาษาฮีบรูก็ใช้คําว่ารู้อักที่แปลว่าพราะวิญญาณได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องเตี๋ยกันุภาพเรารู้ว่าพราะวิญญาณนั้นทรงเป็นพระเจ้า พราพระองค์นั้นทรงมีคุณลักษณะของพระเจ้าและพระองค์ทรงกระทำพระราชกิจแบบพระเจ้าเลยครับแต่ยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ก็ยังทรงมีความสัมพันธ์สนิทแนบแน่นนะครับเป็นหนึ่งเดียวกันในเตกนุภาพร่วมกันกับพระบุตรและพระบิดานอกจากนี้แล้วในพระบรมพีนั้นเราเห็นชัดนะครับว่าพระวิญญาณนั้นไม่ใช่เป็นพลังงานไม่ใช่เป็นแรงหรืออะไรแล้วแต่ แต่พระวิญ ญ, ญาณ น, นั้นทรงสภาพเป็นบุคคลครับบุคคลนี้ไม่เหมือนคนทางกายภาพเมื่อกี้ผมได้บอกไปแล้วนะครับแล้วเราเห็นทระกัมพีเนี่ยใช้คําสรรพนามอ้างถึงพระองค์โดยที่มีพระนามแห่งบุคลิกภาพและคุณลักษณะแห่งบุคลิกภาพตรงนี้นครับเป็นความลึกซึ้งซึ่งเมื่อเราอ่านไปนะครับอ่านพระคัมภีร์ไปเนี่ยเราจะเห็นความเป็นบุคลิกภาพหรือการมีบุคลิกภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ พระองค์มีความรู้สึกต่อการกระทําของพวกเราพระองค์ทรงมีความสัมพันธ์สนิทกับพระภาคอื่นในตรีการุภาพเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับเราจะมาดูกันครับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระสิทธิ์ของพระองค์นั้นทำอะไรบ้างประการแรกในวันนี้นะครับก็คือพระองค์นั้นอยู่ร่วมกับพระบิดาและร่วมกับพระบุตรในการทรงสร้างโลกนี้และการพาดุงรักษาโลกนี้ไว้ ที่น้อครับการทรงสร้างนั้นเป็นภระชิดของเจ้กากรรมพราหทั้งสามทั้งสามพระภาคเลยก็คือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระธรรมการบทที่หนึ่งข้อที่สองครับได้แสดงว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมีส่วนร่วมโดยตรงกับการทรงสร้างพระคัมพีโยบก็ได้บรรยายถึงการทรงสร้างเหมือนกันพี่น้องอาจจะจําได้นะครับว่าเฮรีเอลีฮูครับนะครับพูดกับโยบใหเอลีฮ e ูเป็นเพื่อนคนหนึ่งของโยบครับ ที่มาปลอบใจโยบเอลฮูกันพูดกับโยบว่าวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงสร้างข้าพเจ้าเห็นไหมครับวิญญาณของพระเจ้าก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองได้ทรงสร้างข้าพเจ้าและลมปรานขององค์ผู้ทรงมหิตริตได้ให้ชีวิตแก่ข้าพเจ้าลมปรานนะครับรู้วักในภาษาฮิบรูแปลว่าลมปรานครับหรือแปลว่าพระวิญญาณเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนคําว่าลมปรานเป็นพระวิญญาณได้ครับและพระวิญญาณขององค์ผู้ทรงมหิตริตได้ให้ชีวิตแก่ข้าพเจ้าเห็นไหมครับพี่น้อง และจากคาพูดที่โยบตอบนะครับก็คือพระองค์ทรงกระทําให้ฟ้าสวรรค์ผ่องใสด้วยพระวิญญาณของพระองค์นะด้วยลมของพระองค์ในภาษาไทยแปลว่าวายุนะครับแปลว่าลมครับในเฉลย ด, ดีก็เช่นเดียวกันครับเฉลยบทที่สาสิสามก็หกได้บอกว่าโดยพระเนะของพระเจ้าฟ้าสวรรค์ก็ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับบริวารทั้งปวง ก, ก็ด้วยลมพระโอษฐนะ์เห็นไหมลมพระโอษฐ์ครับหรือคําว่ารูอัอกขีเลครับ ซึ่งหมายถึงด้วยพระวิญญาณของพระองค์ฟ้าสวรรค์ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับบริวารทั้งปวงก็ด้วยพระวิญญาณของพระองค์พี่น้องครับเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าพระวิญญาณนั้นเกี่ยวข้องกับการทรงสร้างอย่างแน่นอนนะครับประเด็นต่อไปก็คือว่าพระวิญญาณบริสุธิ์ก็เกี่ยวข้องกับการผดุงรักษาหรือเมนเทนนั้ น, นะครับหรือซัสเทนนะครับในสุดีบทที่หนึ่งร้อยสี่ข้อที่สามสิบ ได้บันทึกถึงหน้าที่หรือฟังชั่นนะครับของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งสองประการนะครับบรรยายอย่างนี้นครับว่าเมื่อพระองค์ทร ง, ส, งส่งพระวิญญาณของพระองค์ออกไปมันก็ถูกสร้างขึ้นมาและพระองค์ก็ทรงเปลี่ยนโฉมหน้าของพื้นดินเสียใหม่เห็นไมครับอันนี้คือการ s u s t a i n การพรดุงรักษาการ maintenance ครับนะหลังจากที่สร้างแล้วนะครับก็ maintenance หรือพดุงรักษาไว้นี่คือพระกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับสองประการแรก ที่พูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทรงสร้างและการทรงผดุงรักษาในเช้าวันนี้ครับผมอยากจะสรุปงนี้ครับในพระ ธ, ธรรมอิสยาห์ที่สี่สิบข้อที่เจ็ดนะครับหญ้านั้นก็เหี่ยวแห้งดอกไม้ก็ร่วงโรยไปเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้ามาเป่าถูกมันเห็นไหมครับเพียงครับเราเห็นว่าพระวิญญาณของพระเจ้านั้นมีส่วนร่วมในการทรงสร้างและในวิริยกันครับมันก็ร่วงโรยไปก็มีส่วนร่วมในการที่จะผดุงไว้และในการ จากไปนะครับพระ้นญาณบริสุทธดนั้นมีบทบาทในการส่งสร้างและการรักษานะครับการพดุงรักษาของพระเจ้านะครับเราจะสามารถสรุปได้นะครับว่าลมปานหรือพระวิญญาณนะครับหรือลมแห่งพระโอษของพระองค์หรือพระวิญญาณลมปรานขององค์พระวเจ้าพระวิญญาณของพระบุตรของพระเยซูนะครับพระบุตรของพระองค์หรือพระวิญญาณของพระเยซูทั้งหมดนี้ครับเล็งถึงพระวิญญาณบริสุธดผู้ทรงเป็นบุคคล นะครับบุคคลที่สามหรือพระภาคที่สามจำลงไว้ซึ่งบุคลิกภาพที่สมบูรณ์แบบในตรีการุภาพขอพระเจ้า ช, ช่วยแล้วนะครับในการที่เราเข้าใจเรื่องลึกซึ้งแบบนี้โดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของพี่น้องทุกท่านอาเมน